สารอุทธรวันนี้จะพูดเรื่องจิตเห็นจิตตั้งใจฟังให้ดีเรื่องจิตเห็นจิตเป็นเรื่องที่มันมีความละเอียดอ่อนหลวงปู่ดูลนตุโลได้กล่าวไว้ว่าจิตส่งออกเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ผลแห่งจิตส่งออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลแห่งจิตเห็นจิตเป็นนิโรธคําว่าจิตเห็นจิตนั้นมีได้หลายกรณีตั้งแต่ยาบจนถึงปานกลางจนถึงละเอียดที่สุดสําหรับบุตรที่มีปัญญาพอที่จะเข้าใจได้เห็นได้ ซึ่งในขั้นสุดท้ายก็จะเห็นจิตคิดนึกตึกต่องปุงแต่งมีอารมณ์ต่างๆมีอาการต่างๆแสดงพฤติกรรมต่างๆแสดงอาการต่างๆแสดงปฏิกิยาไปต่างๆปรากฏการต่างๆโดยเป็นฝ่ายผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นก็่ได้เป็นฝ่ายผู้คิดนึกตึกต่อปรุงแต่งไปเสเองนี่ในขั้นสุดท้ายที่ปฏิบัติได้ในขั้นของจิตเห็นจิต แต่ผู้มีปัญญาก็เพียงแค่สงบใจสังเกตดูด้วยความละเอียดรอบคอบก็จะเห็นได้ว่ากรณีใดเป็นกรณีที่เราคิดนึกติดตองปมแต่งไปเองและมีอารมณ์ไปเองกับกรณีใดที่เป็นผู้ดูผู้รู้หรือผู้เห็นจิตที่คิดนึกติดตองปมแต่งและมีอารมณ์ไปหรือมีอาการไปในอาการต่างๆปรากฏการต่างๆ ระหว่างที่เราเป็นผู้คิดนึกตึกตองปรุงแต่งไปเสเองมีอารมณ์ไปเสเองกับเป็นผู้ที่ดูหรือรู้หรือเห็นหรือรู้เท่าฐานจิตที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งนั้นเป็นคนละเรื่องเหมือนฟ้ากับดินเป็นคนละอย่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้าผู้ที่จะฝึกในขา้นที่รัดตัดตรงมุ่งสูม่มรรคผลนิพพานท่านจะต้องแยกตรงนี้ออกไปเด็ดขาดว่าท่าน เป็นผู้คิดไปเองหรือมีอารมณ์ไปเองกับเป็นผู้ที่ดูรู้เห็นจิตที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งหรือมีอารมณ์ไปในประการตา่างๆแสดงกิริยาอาการไปในตา่างๆหรืออย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าให้ดูจิตดูใจ คิดนึกติดต่อปคุงแต่งมีอารมณ์หรือเคลื่อนไหวไปในประการต่างๆเหมือนดูหนังดูละครไม่เอาใจเข้าไปร่วมเล่นหรือไม่ไปมีอารมณ์ร่วมกับหนังละครนั้นโดยสัตว์ว่าเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นจิตใจที่แสดงอาการแสดงปฏิกิริยา หรือคิดนึกตึกตองปุ้งแต่งมีความรู้สึกต่างๆมีอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจิตนั้นจะดีไม่ดีไม่ว่าจะเป็นจิตนั้นไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลเลืออกุศลไม่ว่าจะว่างไม่ว่างจะว่าไม่ว่าจะเบาหรือจะหนักไม่ว่าจะทึบหรือจะโปร่งจะโล่งจะสบายล้วนแต่เป็นจิตทั้งนั้นที่เป็นหนังเป็นละครหากเราไปติดริงที่รู้สึกได้ สิ่งที่รับรู้ได้สิ่งที่มีอาการเกิดดับได้สิ่งที่ไหวตัวได้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่คิดนึกติดตอปงุ่แปลงสิ่งที่ท law, ท hey. internet, ทนํามาเล่าให้เขาคนอื่นก็ฟังได้หัวใจเราสบายไม่สบายใจเราว่างไม่ว่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่นํามาเล่าให้คนอื่นก็ฟังได้สิ่งนั้นเรียกว่าโลกเราติดโลกไปแล้วโลกทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเอง เราอย่าติดโลกอย่าหลงโลกอย่าเป็นโลกนั้นเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้หรือผู้เห็นโลกแล้วไม่ติดโลกไปเมื่อไม่ติดโลกก็ถึงทำบรรลุธรรมธรรมนั้นไม่อาจแสวงหาได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะรู้สึกได้ไม่อาจจะรับรู้ได้ ดังนั้นเราจึงไม่อาจสแสวงหาสิ่งที่ไม่อาจรับรู้สึกได้สิ่งที่ไม่ปรากฏตัวและรูปร่างไม่ปรากฏอาการใดๆเราจึงไม่สามารถที่จะไปสะแสวงหาสิ่งนั้นได้เพราะจริงใดถ้าปรากฏตัวปรากฏรูปร่างปรากฏอาการใดๆสิ่งนั้นเรียกว่าโลกหมดสิ่งใดอาการใดๆพฤติกรรมทางใจอย่างไรไม่ว่าจะว่างไม่ว่างเบาสบายมันายตัวได้อะไรก็ตาม สิ่งนั้นสามารถเอามาบอกอาการเหล่านั้นเล่าสู่เพื่อนกันฟังได้สิ่งนั้นเป็นโรคเสียทั้งสิ้นการจะเข้าถึงธรรมได้คือรับรู้โลกแล้วไม่ติดโลกไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปอยากไม่อยากอย่างไรต่อโลกนั้นไม่เข้าไปดิ้นรนักสายโลกในสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจอาการใดๆภายในร่างกายไปในจิตใจที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะหวั่นไหวกระเพื่อม ใจให้หายไม่ว่าจะมีอาการใจใดๆไม่สบายอึดอัดคืดตไม่โปรไม่โล่งไม่เบาสบายอย่าเข้าไปเกิดความไม่พอใจที่หลนผักใสอยากให้เขาหายไปหรืออยากจะทําตนให้หลีกนี้ออกไปให้พ้นจากอาการเหล่านั้นเพราะเข้ากับท่านเข้าไปไม่พอใจอาการเหล่านั้นเข้าไปอยากให้อาการเหล่านั้นหายไปหรืออยากเอาตัวออกห่างอยากเอาใจออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นไปกลายเป็นความอยากหรือความไม่อยากเป็นตันหาขึ้นมาทันที ตัณหาจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะท่านเมื่อท่านไม่สามารถดิ้นรนเอาใจออกห่างจากอาการเหล่านั้นได้หรือท่านไม่สามารถจะเข้าไปดับปฏิกิริยาหรืออาการเหล่านั้นที่ท่านไม่ชอบใจได้ท่านก็จะมีความทุกข์ใจอย่างยิ่งยวดความทุกข์ทั้งหลายมาจากตัณหานี่เองเป็นต้นเหตุคือความอยากหรือความไม่อยากใดๆนี่เองความอยากก็ ใจเบากายเบาใจสงบใจว่างไม่มีอาการกระเพื่อมไม่มีอาการไหวตัว ใ, ใดๆขึ้นมาให้ปรากฏก็ชอบใจอยากให้อาการเหล่านั้นตั้งอยู่อยากให้อัดเอาอาการเหล่านั้นไว้ปรากฏคงที่ไวารู้ไม่ว่าความอยากอันนั้นเป็นตัณหาท่านจะเป็นความทุกข์ที่ต่อเนื่องตามมาเมื่ออาการเหล่านั้นหายไปกลายเป็นใจที่มีความกระเพื่อมความวันไหว กลายเป็นใจที่มีอารมณ์กลายเป็นใจที่มีความรู้สึกไม่โปรง่งไม่โลง่ไโลงไม่เบาสบายเข้ามาแทนที่เมื่อนั้นความทุกข์ก็จะหนักหนาสาหัสเพราะเราไปจิต ด, ดีไว้เสร็จแล้วคือไปจิตใจที่มันโปรง่งมันโลง่งมันเบ า, ม, เบามันสว่างมันว่างจิตใจที่สงบนิ่งว่างเบาสบายเมื่อท่านแอบถึงพอใจใจที่สงบใจที่นิ่งใจที่ว่างใจที่เบาสบาย พอเมื่อใจที่มันไม่สงบมันไม่นิ่งไม่ว่างไม่บสบายมันมีอาการไหวตัวมีอาการกระเพื่องใจให้หายมีอาการอย่างไรที่ท่านไม่ถูกใจไม่พอใจท่านก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาโดยอัตโนมัติเข้าไปดิ้นรนผักใสอาการเหล่านั้นให้มันหายไปพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาใจออกห่างจากอาการเหล่านั้นดิ้นรนผักใสหลีกหนีทุกวิถีทาง ตาบใดที่ท่านทำอย่างนี้ท่านจะมีความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสยิ่งท่านดิ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นหนักหนาสาหัสขึ้นมากเท่านั้นปล่อยใจให้เป็นกลางวางอุเบกขาสัคตะบดูสัคตะบารุกตะเเห็นอาการเหล่านั้นความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นอารมเหล่านั้นหรือจิต ท, ที่แสดงอากับปริยาอาการต่างๆซึ่งเป็นโลกสิ่งใดที่ถูกรู้ได้เป็นโลกสิ่งใดที่ไม่อาจถูกรู้ได้เป็นธรรไม่จิตโลกก็ถึงธรร รู้แล้วละปล่อยวางเสียรู้แล้วละปล่อยวางเสียสเมื่อรู้โลกรู้เต่าทานจิตเห็นจิตแล้วก็ปล่อยวางเสียละเสียรู้ให้เร็วละให้เร็วรู้ให้เร็วละให้เร็วคาว่ารู้ให้เร็วละให้เร็วไม่ใช่ว่าไปทําลายจิต หรือไปทํำลายโลกให้แตกตับไปเพราะธรรมชาติของจิตหรือธรรมชาติของโลกเขาต้องเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เราไปทํำลายโลกได้หรือไม่ไปไม่สามารถจะไปทําลายจิตได้คําว่ารู้แล้วละเสียก็คือละความพอใจละความไม่พอใจละความเข้าไปอยากหรือไม่อยากให้เขาเป็นไปอย่างไรอย่างที่ใจเราต้องการรู้แล้วละเสียวางเสีย ละความอยากความไม่อยากความพอใจความไม่พอใจต่อจิตหรือต่อโลกเสียก็จะถึงทำเองเราก็ทําหน้าที่สัจธรดูสัจธรรมรู้สัจธรรเห็นเห็นจิตที่คิดนึกตึกต่องปรุงแต่งไปเราอย่าทําหน้าที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งไปเสเอง โดยศักว่าเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นจิตที่คิดนึกตึกต่องปมแต่งไปแล้วเราจะต้องไม่เข้าไปไพยายามกดข่มบีบบังคับไม่ให้จิตคิดนึกปลุกแต่งหรือไม่ให้จิตมีอารมณ์ถ้าจิตเขาจะคิดนึกตึกต่องปมแต่งหรือมีอารมณ์ไปในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นมนต์ดกายสัมผัส เราก็ได้จะสัตว์แต่ว่าดูสัตว์ก็รู้สัตว์ก็เห็นหรือรู้เท่าทันทันทีตั้งแต่จิตที่เริ่มต้นแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบตองแอบปุมแต่งแอบมีอารมณ์ต่อรูปลดกลิ่นเสีย ง, งสัมผัสเสียดสีหรือรับรู้ธรรมอารมณ์คือความรู้สึกในคิดอารมณ์ในขณะปัจจุบนันนั้นๆทุกขณะปัจจุบนันไม่เข้าพยายามกดข่มบีบรังคับไม่ให้จิตแอบคิดนึกตึกตองปุมแต่งหรือมีอารมณ์ต่อสิ่งใด ถ้าเขาจะมีเขาก็มีของเขามาขึ้นมาเองถ้าเขาไม่มีเขาก็ไม่มีของเขาขึ้นมาเองแต่เขาจะมีความคิดนึกตึกต่อนปงแต่หรือมีอารมณ์เราก็สัพตะวัดูสัพตะวัรู้สัพตะวัวเห็นหรือรู้เท่าทันตั้งแต่จิตที่เริ่มคิดนึกตึกตอนปรงแต่งหรือเริ่มมีอารมณ์ต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเจติหรือทําอารมณ์ในขณะที่กระทบในปัจจุบันนั้นๆทุกขณะปัจจุบันโดยเราจะต้องไม่เป็นผู้ที่เผลอเพลินหรือเพลินใจ คือเป็นผู้ที่คิดที่นึกที่ตึกที่ต่อผู้คุมแต่งผู้มีอารมณ์ไปต่อลูกลดกินเสียงสัมผะสเสียสีหรือทำอารมณ์คือความรู้สึกหรือคิดอารมณ์นั้นๆเจี๋ยเองโดยไม่ได้เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเราจะต้องฝึกให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทุกขณะปัจจุบันว่า เ ร, เราเป็นเพียงผู้ที่ดูผู้ที่รู้ที่เห็นจิต ท, ที่คิดนึกตึกต่อประดแต่งมีอารมณ์ไปตระการประการต่างๆมีความรู้สึกต่างๆมีอาการต่างๆหรือเราเป็นผู้ที่คิดนึกตึกต่อประดแต่งเสเองมีอารมณ์เสเองมีอาการเสเอ ง, อเอเองต้องแยกสองชนิดนี้ให้ขาดกระเด็นออกจากกาันให้ชัดเจนในใจตนทุกขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเมื่อใดเรากลายเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้คิด เป็นผู้นึกผู้ตื่นผู้ตอผู้ปรุงแต่งผู้มีอารมณ์เสเองผู้มีความวิจกกังวลไปเสเองโดยเป็นแต่เพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นสัพตะดูผู้สับตะวันรู้สับตะเห็นพูดเมื่อนั้นก็จะเป็นธรรมขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติธรรมจึงไม่ต้องแสวงหาเพราะเกิดขึ้นมาเองเมื่อเราสับแต่ว่าเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นธรรมจึงไม่ต้องค้นกว่าหาหาเลยเพราะเมื่อท่านดิ้นรนค้นกว่าหาธรรม เมื่อนั้นมันก็เป็นโลกเสียทันทีเพราะเมื่อไรมีการเคลื่อนไหวมีการกระเพื่อมมีการดิ้นรนมีการค้นกวามีการอยาดให้ถึงทําให้มันลุกพลันพานมันก็เป็นโลกเสียสิ้นไม่เป็นธรรมจะต้องพิจารณาสำรวจตรวจตัวเองทุกขณะปัจจุบันว่ามี ความดิ้นรนทยานอยากอยากให้บรรลุพระนิพพานอยากให้ถึงธรรมอยากให้บรรลุธรรมบรรลุพระนิพพานในปัจจุบันนี้หรือเปล่าท น, นายกนาปัจจุบันนี้มีความรู้สึกแอบแฝงมีความอยากแอบแฝงอยากที่จะบรรลุพระนิพพานเดี๋ยวนี้ใจมีความดินน้นรนเล่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยากที่จะบรรลุพระนิพพานอยากที่จะสําเร็จพระหันเดี๋ยวนี้นั่นก็ยังเป็นความอยากเป็นตัณหาเป็นโลกอยู่ดีไม่อาจาเป็นธรรมได้ ต้องพิจารณาสำรวจตรวจสอบโดยใจตนเองว่าในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันมีความดิ้นรนเล่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเดือดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยากที่จะบรรลุพระอรหันต์อยากที่จะบรรลุพระนิพพานในปัจจุบันนี้หรือไม่ถ้าสำรวจตรวจดูจิตใจของตัวเองจะพบว่าตัวเองมีความอยากขึ้นมาในทุกขณะปัจจุบันอยากที่จะบรรลุพนิพพานเดี๋ยวนี้อยากที่จะรู้แจ้งเดี๋ยวนี้อยากที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ต้องปล่อยวางความอยากนั ART ้นเสียให้สิ้น รู้แล้วปล่อยวางไปเสียละไปเสียรู้แล้วปล่อยวางไปเสียละไปเสียไม่ใช่ว่ารู้แล้วพยายามเข้าไปกําจัดเขาอย่างไรไปพยายามที่หลนผักสายอย่างไใดๆเพราะอย่างนั้นก็จะเป็นโรคซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกเพราะการเข้าไปพยายามกําจัดโรคก็ไปที่ลนผักสายโรคมันก็เป็นโรคอีกเป็นการซ้ําซ้อนเป็นโรคอยู่ตลอดเวลาไม่อาจเป็นธรรมได้เพราะเมื่อท่านสํารวจตัวจตาดูจิตใจของท่านรู้ว่าเป็นโรคในทุกขณะปัจจุบัน แล้วเกิดความรู้สึกใดๆที่ท่านไม่พอใจอึดอัดทึ่งตื้อไม่โปร่ไม่โล่งไม่เบาสบายหรือท่านมีอาการากมีอาการอย่างไรเช่นสำรวจตรวจดูจิตใจของตัวเองเราเห็นว่ายังมีจิตใจของตัวเองคอยค่อยุ่งวุ่นวายกับจิตใจของตัวเองตลอดเวลาท่านสามารถเอาอาการอย่างนั้นมาเล่าบอกให้คนอื่นเขาฟังได้ว่านี่เห็นไหมฉันยุ่งกับจิตใจของตัวฉันเองอยู่ตลอดเวลาไม่เลิกไม่ลา อะไรก็ตามที่ท่านสามารถเอาไปบอกคนอื่นได้เล่าคนอื่นฟังได้ล้วนเป็นโลกทั้งหมดแล้วถ้าท่านประพยายามที่ล่นผักสายโลกไปดับโลกนั้นมันก็เป็นโลกซ้อนโลกไม่มีวันจบสิน้นหมุนวนเป็นงู ก, กินหางกันไปเรื่อยๆหาจะหาเวลาการจบสิ้นไม่ได้เพราะการที่พยายามจะดับโลกมันก็คือโลกเพราะเมื่อมีการพยายามก็มีการไหวตัวมีการกระเพื่อมตัวมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นภายในจิตมันก็ยังเป็นโลกอยู่ดี ไม่ว่าท่านจะพยายามดับโลกอย่างไรมันก็ยังเป็นโลกอยู่ดีไม่มีโอกาสบรรลุธรรมถึงธําได้รู้โลกแต่ไม่จิตโลกรู้โลกไม่เข้าไปพยายามดับโลกรู้โลกไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจโลกรู้เท่าทันใจที่เข้าไปพอใจใจที่เข้าไปไม่พอใจรู้แล้วก็ปล่อยวางเสียรู้อะไรในปัจจุบันนั้นๆที่ชัดเจนก็สักแต่ว่ารู้ ไ ม, ไ, ไม่เข้าไปพยายามดับสิ่งนั้นไม่เข้าไปพยายามผักไสอาการเหล่านั้นไม่พยายามให้พฤติกรรมทางใจเหล่านั้นหายไปไม่ปรากฏอาการพฤติกรรมทางใจอย่างนั้นอีกหรือไม่พยายามพาตัวหรือพาใจออกห่างหนีอีกหลบหลีกหนีออกจากอาการเหล่านั้นหรือพฤติกรรมเหล่านั้นโดยมีความหลงเข้าใจผิดว่าถ้าพฤติกรรมหรือปฏ hmm ิกิยาทางใจพฤติกรรมทางใจของเราแบบนั้นหายไป เราจะบรรลุธรรมเราจะรู้แจ้งในธรรมการคิดเห็นเช่นนี้เป็นความหลงผิดกาใจผิดเพราะท่านยิ่งคิดอย่างนั้นท่านก็จะยิ่งพยายามที่หลนผักใสมีความพยายามประทำอย่างใดๆเพื่อจะดับพฤติกรรมทางใจอย่างนั้นอาการอย่างนั้นปฎิกยาทางใจเหล่านั้นให้หายไปหรือไม่สิ้นที่จะพยายามพาตัวหรือพาใจหนีห่างจะออกจากอาการเหล่านั้น การที่ท่านพยายามพาตัวหรือปราใจนี้ห่างออกจากอะไรหรือพยายามที่จะดิ้นรนผักใสให้สิ่งเหล่านั้นดับไปหรือหายไปอันนั้นก็เป็นโลกอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ท่านสงบใจดู ร, รู้เห็นอยู่ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันรู้แล้วปล่อยวางไปเสียละไปเสียถ้าเราไม่เข้าไปยึดถือโลก ไม่เข้าไปยึดถือถือสาให้ค่า้ความสำคัญหรือยึดถืออย่างใดต่อโลกนัน้นก็เป็นธรรมเองอัตโนมัติ